นั่งคูบันลังคืออะไรครับใช้การนั่งขัดสมาธิเพชรหรือเปล่าและการทําสมาธิโดยการนั่งวิธีเนี้ยดีกว่าวิธีอื่นหรือไม่ครับตอบเรื่องการขัดสมาธิเพชรนั้นหลวงปู่สิมคุทธาจาโรแห่งถ้ำผาปล่องท่านชอบมากครับเวลาไปนั่งฟังธรรมของท่านก็ดีไปนั่งปฏิบัติต่อหน้าท่านก็ดีท่านชอบแนะนําให้ขัดสมาธิเพชรเพราะมีข้อดีหลายอย่างครับ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 คนที่เร่าร้อนโอดโอยแทนขาคือจิตของเราเองต่างหากสำหรับท่านั่งสมาธินั้นนอกจากคำว่าขูบันลังแล้วยังมีภาษาเก่าที่ตายไปอีกแล้วอีกคำหนึ่งคือคำว่านั่งผนนงเชิงเชิงคือเท้าผนานงคือทับซ้อนต่อมาคนรุ่นหลังออกเสียงเพี้ยนไปเป็นคำว่าผนันเชิง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 บทความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่สิบสองทุกคำตอบตอบโดยสันตินันหรือพระอาจารย์ปราโมดปาโมโชในปัจจุบั น, น, นอ่านโดยอนุสอนรีโสภา ดินฟ้าเปลี่ยนแปลงอับลาใจว่ามีรู้สิ้น